พิธระพระคุณเจ้าที่ก ร, รบแล้วก็ขอคารวะท่านประธานท่านอาจารย์เขเตสนองเวลาอุไรแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้จัดงานแล้วก็สมาชิกชาวชมลมกัลยาณธรรมทุกๆ ท, ท่าน ก็วันนี้รู้สึกยินดีมากที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการทำความรู้สึกตัวตามสมควรเกิ่เวลาต้องขออภัยด้วยนะ ที่วันนี้ไม่ได้เจตนามาทำให้หลายท่านต้องผิดหวังตั้งใจว่าจะมาฟังหลวงพ่อคำเขียนเทศแต่กลับกายมาฟังผมพูดผมไม่ได้มาแทนหลวงพ่อคำเขียนนะผมมาช่วยหลวงพ่อคำเขียนทำหน้าที่ไม่มีใครสามารถแทนตัวท่านได้หรอก แต่ช่วยท่านได้เพราะว่าธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์ดูท่าจะสุดโทรมท่านต้องการพักผ่อนผมก็เลยมาทำหน้าที่ช่วยท่านพูดคุยธรรมะก็ขออนุญาต ให้ผมได้ทำหน้าที่เถอนนะนันจะนับเป็นลูกศิษย์แค่ช่วยเหลือท่านในแง่ของการให้แง่คิดเรื่องธรรมะ ก, ก็ยังดีวันนี้เขาก็ให้ผมพูดในหัวข้อเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยถือวเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีความหมายมากสำหรับทุกชีวิต เพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยสามารถป้องกันความทุกข์ได้จะรู้ว่าเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทีเดียวเป็นต้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ความรู้สึกตัวสามารถที่จัดการ กับความทุกข์ที่ต้นเหตุคือทำลายโมหะหรือความหลงความรู้สึกตัวถือว่าเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่รัดสั้นหรือว่าเป็นใบไม้กับมือเดียวก็ได้ เพราะว่าเวลาเราทำความรู้สึกตัวแล้วสุดท้ายมันจะเกิดปัญญาสามารถรู้เท่าทันจิตใจแล้วก็เห็นความคิดที่มันปรุงมันแต่งเพราะว่าความคิดเนี่ยมันนำเอาราคะ โทสะโมหะมสู่จิตใจเรายามใดที่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวความคิดจะหยุดปรุงแต่งทันทีปรุงแต่งต่อไม่ได้จิตก็จะเป็นอิสระทันทีเหมือนกัน ความคิดที่นำเอาราคาโทสะโมหะเขาเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าที่ติตมันปกติจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีพอเอาความรู้สึกตัวนะเนี่ยมันเป็นธรรมะที่รัดสั้นกามือเดียวจริงๆเดี๋ยวมาความรู้สึกตัวเดี๋ยวมันสรุปแล้วการทำความรู้สึกตัวเนี่ย ไม่ได้ไปทำที่ไหนก็ทำที่ตัวเราอยู่ในอิเลยาบทใดจะอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาไหนก็ตามก็สามารถปฏิบัติได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวถืว่าเป็นมรรคส่วนตัวก็ว่าได้คือความรู้สึกตัวเนี่ย นะนั่นเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นหรอกเรื่องการดับทุกข์สนใจเลือกเก็บตัวเราเองให้มากๆมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราทั้งนั้นยิ่งมองข้างนอกมันยิ่งพลาดพลัดหลงไปสู่ความหลงได้ง่ายๆต้องกลับมาดูตัวเรานะมันจึงจะเกิดขึ้นแนละ้วความรู้สึกตัวนะอย่าไปสนใจสิ่งภายนอกถ้าจะสนใจเรื่องดับทุกข์เราก็ตัวเรานี่แหละ เป็นสนามรบเป็นเวทีที่จะเอาชนะกิเลสแล้วก็พ้นทุกข์ได้เนี่ยั่งการปฏิบัติเนี่ยมันลัดสั้นเพียงแค่นเนี้ยเพียงแต่ว่าเราหมั่นเห็นประโยชน์ของความรู้ตัวมากๆเราจะเข้าใจ เ, เพียงแต่เรามีสติรู้ลงไปที่กายที่ใจเรา สติคือความรู้สึกตัวคือกายคือจิตที่เรายึดติดยึดมั่นว่าเป็นตัวเราอยู่นี่แหละเห็นเป็นสองคำเลยความรู้สึกคือสติแล้วก็ตัวคือกายคือจิตมันไม่ไปกลจากสิ่งเหล่านี้หรอกเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย เราก็รู้สึก <Yeah. S 1> กายเคลื่อนไหวคลาใดให้รู้สึก <Yeah. S 1> จะเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกยืนก็รู้สึก <Yeah. S 1> นอนก็รู้สึกจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็ตามเนี่ย เพียงเติมความรู้สึกไปเท่านั้นเองอน่ยมันก็จบลงตรงนั้นอะ่ะไม่มีอะไรมากไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิน้นจะดื่มก็รู้สึกจะเคี้ยวก็รู้สึกกระพริบตารู้สึกกลือน้ําลายลงไปในลําคอก็ให้รู้สึกตัวขับทายก็รู้สึกขับรถก็รู้สึกนะ <c oughs> มันง่ายขนาดที่ว่าไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะอยู่ที่ในที่ตัวเราเพียงแค่รู้สึกเมื่อเวลากายมันเคลื่อนไหวในอิเลียบท่างๆแล้วเมื่อเวลาจิตมันเคลื่อนไหวคือจิตมันไปคิดไปปรุงไปแต่ง เ, เราก็รู้สึกลงที่ความคิดนั่นแหละอย่าลืมรู้สึก มันหลงมันเผลอปไปหรือลืมรู้สึกตัวก็ไม่เป็นไรก็รู้ใหม่เนี่ยบางคนบอกว่าแหมเราหลงบ่อยเหลือเกินหลงนานด้วยก็ไม่เห็นแปลกเรื่องหลงเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อหลงเราก็กลับมารู้สึกตัวเอาใหม่มันผ่านไปแล้วความหลงไปอดีตไปแล้วก็เรู้สึกตัวอันใหม่สิเนี่ยของใหม่มันย่อมดีกว่าของเก่าใช่ไหมล่ะเนี่ย นั่นอย่าไปยุงเหยดเกี่ยวสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเป็นอดีตไปแล้วเน่ยรู้ใหม่รู้ใหม่เนี่ยมันเป็นชีวิตใหม่ชีวิตเราจะใหม่ทุกขณะนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นคือจิตที่รู้สึกเนี่ยมันใหม่ที่สุดเลยเนีเป็นปัจจุบันที่สุดเลยเพราะนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตใหม่เนี่ยก็รู้สึกใหม่แล้วก็แล้วกันไปอย่าไปเสียเวลากับสิ่งชีวิตผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นรู้สึกใหม่นั่นคือชีวิตใหม่ หลงลืมได้ลืมได้ก็รู้ได้เหมือนกันมันเป็นเรื่องไม่ยากนะอย่าไปมองเป็นสิ่งที่ยากเย็นเนี่ยก็รู้สึกตัวใหม่ี่ก็เราทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเมื่อกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกจบจิตมันคิดนึกก็รู้สึกก็จบแค่นั้นไม่ต้องวิจัยวิจารอะไรทำต่อเนื่องไปตั้งแต่เช้าตื่นนอนขึ้นมาเนี่ย จิตขณะแรกที่ลืมตาตื่นรู้สึกตัวทันทีเลยนั่นคือชีวิตใหม่ที่เติมพลังชีวิตด้วยความรู้สึกตัวมันเป็นมงคลนะ <c oughs> เป็นมงคลชีวิตเลยเอาความรู้สึกตัวนำหน้าเนี่ยสังเกตดูนะทุกครั้งที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคอยดูเถอะวันนั้นทั้งวันเนี่ยจิตเราจะผ่องใสสติจะคลอเคลียอยู่เรื่อย แต่ถ้าตื่นมาปั๊บความคิดกังวลล่วงหน้าแล้วก็วันนั้นเราก็ไม่ค่อยผ่องสายอ่ะรอทั้งวันนั่นลืมตารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็เป็นชีวิตใหม่ทันทีเลยนะปามรู้ไปเลยทั้งวันรู้ได้มันหลงลืมไปก็รู้ใหม่ลืมแล้วก็รู้ใหม่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราทําได้ทั้งนั้นจงกระทั่ง หลับไปก็เลิกเวลาหลับก็หลับไปแล้วก็แล้วกันไปบางคนบอกว่าเวลาหลับเนี่ยเราตรู้สึกตัวเลยนะเวลาฝันก็รู้สึกตัวเป็นไปได้ไหม รู้ว่าฝันหรือฝันว่ารู้เอาเถอะถึงเวลาหลับก็ให้เขาหลับไปเถอะให้โอกาสความหลงเขาบ้างไม่เป็นไรเมื่อหลับหลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกตื่นมาแค่ว่ากันใหม่นะชีวิตใหม่ให้เกียรติความหลงเ็าทำหน้าที่บ้างแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวใหม่ก็แค่นั้นอนะเนี่ย ถ้าเราสามารถเจริญความรู้สึกเนี่ยต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะสม่ำเสมอมันหลงไปแนละ้วกลับมารู้ใหม่ทั้งวันเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินของจิตที่จะง่ายที่จะรู้สึกตัวมันยากที่จะหลงลืมตัวเสร็จแล้วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยชินแต่ความหลงลืมตัวไปความคิดแต่ชีวิตใหม่เนี่ย ความคิดไม่เเกิดความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นอัตโนมัติแม้ไม่เจตนารู้สึกมันก็รู้ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นให้เป็นชีวิตให้เป็นชีวิตมันจะได้เป็นเราไม่เจตนาสร้างความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นเองได้ได้วยความเคยชินนะเนี่ยมันง่ายเพียงแค่นี้ทีนี้ คำว่ารู้สึกเนี่ยมันลึกซึ้งมากมันไม่ลึกแค่ไหนหรอกมันลึกอยู่ในจิตในใจเราเนี่ยคำว่ารู้สึกรู้สึกเนี่ยขอยรู้สึกล้ ว, ลวนๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องปรุงแต่งอะไรไม่ต้องว่าอะไรที่ซ้าไปไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้รู้สึก รู้เฉยๆนะเป็นสัมผัสแรกของชีวิตนะเนี่ยสัมผัสแรกของจิตใจเลยคือรู้สึกล้วนๆนะไม่ต้องคิดอะไรนั่นหละความรู้สึกนะั่นคือสติสัมปชัญญละล่นะบางท่าน อาจจะมีการปฏิบัติแบบมีคำบริกรรมข็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าหนอหรือพุโทโธหรืออะไรก็ตามนะบัตทะนะโมพุทธายะก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ห้ามนั่นเป็นสัมผัส ต, ต่อไปสัมผัสแรกคือรู้สึกแล้วค่อยมีคำบริกรรมนะ รู้สึกเป็นสัมผัแรกนี่เป็นตัวปรมัต ธ, ธรรมคำบริกรรมก็คือสมมุติบัญญัติที่เราใส่เข้ามาเพื่อช่วยให้สติมันเกิดได้ง่ายเหไหมเมื่อตอนที่พุทธเจ้าเทศกันแรกอตมเทศนาให้ปัญจวัคคีฟังพระเทศเสร็จปับ๊บอัญญาโกนธัญญะ เป็นโซดาถ้าบอกว่าอะไรนะอัญญาโกลทัญญะรู้แล้วหนอเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้ก่อนแล้วค่อยหนอทีหลังรู้สึกตัวก่อนแล้วมีคำบริกรรมคำว่าหนอหรือพุโทโธตามหลังก็ได้ในคำบริกรรมมันต้องมีความรู้สึกตัวเป็นปรัชนาธรรมก่อนเห็น ไ, ไหม มันเกื้อกูลกันได้ยาบริกรรมโดยที่ไม่รู้สึกตัวก็คือความคิด<笑><笑>คิดก่อนแล้วมารู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยมีกรบริกรรมแล้วค่อยคิดสัมผัสแรกของจิตคือรู้สึกล้วนๆไม่มีการปรุงแต่งนั่นหละเป็นปัจจุบันที่สุดเลย เมื่อรู้สึกแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปยึดครองความรู้สึกเอาไว้นะไม่ใช่เราเหรอกรู้สึกแล้วปล่อยให้มันผ่านไปทั้งความรู้สึกและก็สิ่งที่รู้สึกปล่อยให้ผ่านไปทั้งหมดเลยมันจะไม่มีตัวเราอยู่ในความรู้สึกหรอกถ้าไปเกาะกลุมยึดครองเอาไว้เนี่ยเราก็จะมีตัวตนที่รู้สึกมันก็พลาดจากความรู้สึกตัวไปมันเข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นเมื Duke, ่อเราฝึกรู้สึกล้วนๆให้ต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยบริสุทธิ์ไรการปรุงแต่งความปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยเบาอกเบาใจสบายใจคลายเครียด ทุกไม่เกิดตอนนั้นมันมีในจิตใจเราทันทีเลยนะนะนะรู้สึกล้วนๆสักพักเดียวเนี่ยจิตเราจะผ่อนคลายเพราะไม่มีการปรุงแต่งที่จิตเรามันเครียดมันทุกข์เพราะว่ามันมีแต่การปรุงแต่งในจิตใจไม่มีความรู้สึกตัวทีนี้เมื่อเรารู้สึกต่อไปเรื่อยๆนะทาเรื่อยๆนะ มันจะเห็นสิ่งแปลกปลอมของจิตใจที่เกิดขึ้นในความรู้สึกล้วนๆเพราะความรู้สึกเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่ไม่นานมันดับแล้วมันก็เกิดมันดับแล้วมันก็เกิดมันไม่คงที่สิ่งนี้ทำให้ความรู้สึกมันหายไปนั้นชั่วขณะหนึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งมันจรเข้ามาแล้วมันจรเข้ามาแล้ว แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันจะเห็นสิ่งแปลกปลอมนั้นนั้นแล้วก็จัดการกับสิ่งแปลกปลอมนั้นอาจจะเป็นความคิดหรืออารมณ์ต่างๆด้วยการปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้ทำอะไรสิ่งที่ผ่านมาก็ปล่อยให้ผ่านไปความคิดปรุงแต่งผ่านมาคือการเกิดของเขา และความคิดปรุงแต่งก็ผ่านไปคือการดับของเขาช่วขณะจิตหนึง่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นปัญญานะมันจะเห็นเลยเห็นความคิดที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเห็นตอนเกิดก็ได้เห็นตอนดับก็ได้ มันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอความรู้สึกกับความคิดที่มันมองเห็นกันอยู่ความคิดเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงที่คิดว่ามันมีตัวตนอยู่นั้นก็คือมันคิดขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยดับและคิดขึ้นใหม่เรื่อยเช่นเดียวความรู้สึกเหมือนกันมันก็ไม่คงที่ เมื่อรู้แล้วมันก็หลงลืมได้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนกันทั้งในความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ถูกรู้สึกก็คือต้องอยู่ดับไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาแห่งธรรมบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยนะเนี่ยรู้สึกล้วนแค่นี้โอ้มันมีอนุภาพมากมายแต่ถ้าเราเผลอสตินะ เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกแล้วปล่อยมันผ่านไปเนี่ยไปตามดูมันนะระวังให้ดีความคิดมันจะดูดเข้าไปดูดเข้าไปคิดจิตใจพลัดหลงไปอยู่ในความคิดปรุงแต่งมันก็พลาดเข้าไปถึงความรู้สึกตัวพอรู้แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่าไปยุมน่ยปล่อยมันผ่านไปถ้ามีฐานการเจริญสติก็กลับมานะรู้กายเคลื่อนไหว รู้เรบทต่างๆนั่นละมีฐานให้จิตมันตั้งได้ไเนี่ยเป็นการปฏิบัติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเราก็รู้สึกตัวในท่ามกลางก็รู้สึกตัวผลสุดท้ายก็ต้องรู้สึกตัวเท่านั้นเอง สามคํารู้สึกตัวหนึ่งเดียวตลอดการปฏิบัติความรู้สึกตัวเนี่ยถือว่าเป็นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาขณะที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยศีลเราก็บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์เพราะาขาดความรู้สึกตัวก็าิดศีลขณะที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยสมาธิก็ตั้งมัน่น ชักนำเอาปัญญามาก็มีในความรู้สึกตัวทั้งนั้นคือตัวปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ก, กับตัวเราจะว่าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งมรรคทั้งผลในขณะเดียวกันเลยไม่มีตัวไม่มีตนนะเจ้าความรู้สึกตัวเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแค่สภาวะหนึ่งเป็นสภาวะที่รู้ เรียกว่าปราบัติสภาวธรรมก็ได้ไม่มีตัวตนอยู่ในความรู้สึกตัวมีแต่สภาวะที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนนะไ <c oughs> ม่ต้องไปสร้างมาอยู่แล้วเพียงแต่เราทําความรู้จักกับเขาโดยการรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวเนี่ยเนื้อเกิดเหนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตาย อยู่เหนือกรรมพ้นกรรมได้ด้วยความรู้สึกตัวจะว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นวิวัตตะคามินีปฏิปทาคือการปฏิบัติที่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็คือความรู้สึกตัวเป็นยอดบุญเหนือทุกษะ ซึ่งเราจะต้องสนใจเข้าให้ถึงนะก็อยากจะเล่าถึงประสบการณ์เรื่องการทำความรู้สึกตัวสักหน่อยก็มาเปอดีตที่ล้ำลึกพอจะเล่าสู่กันฟังบางทีอาจจะทำให้บางท่านเนี่ย นำมาไปใช้ก็กําลังใจบ้างก็ได้เพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัวชีวิตของความพิการอยู่ได้ด้วยความรู้สึกตัวจริงๆริงเมื่อตอนที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ๆ เป็นอนดีตที่ล้ำลึกขอเล่าสักหน่อยส6หปีของความทนทุกข์ทรมานยอมทุกยอมทนอยู่ส6บหปีภายหลังจากประสบัติเหตุแล้วอยู่แบบไม่มีที่พึ่งจิตใจนี่มันขาดที่พึ่ง พาะไม่เคยมาสนใจกับเรื่องธรรมะไม่เคยสนใจกับเรื่องตัวเองเลยสนใจแต่สิ่งภายนอกเรียนให้จบจะได้ทำงานจะได้มีความรู้แต่สิ่งที่เราไปสนใจนั้นมันดับทั้วกับใจเราไม่ได้เลยมันช่วยเราไ ม, ไม่ได้เลยในเรื่องความทุกข์สิบหกปีนอนเป็นทุกข์อยู่ แต่ในช่วงส6บปีนี่ก็ไม่ได้นอนเปล่าๆก็ศึกษาธรรมะจากการอ่านจากการฟังการทำความเข้าใจกับธรรมะคิดว่าการรู้แจ้งนั้นจะเกิดจากการทำความเข้าใจของเราอย่างเดียวนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิบหปีเาการสนใจกับธรรมะโดยการอ่านการฟังเนี่ย มันช่วยเราได้ไม่มากเลยนะทําให้ใจเราเนี่ยผ่อนคลายลงบ้างแต่ทุกมันยังเกาะกินใจอยู่เพราะไม่ได้ปฏิบัติรรมเลยได้แต่อ่านได้แต่ฟังรับรองเลยเลยว่าถ้าหากว่าเราสามารถฟังธรรมะอ่านธรรมะทําความเข้าใจธรรมะด้วยการคิดดิกเอาเนี่ยสามารถทําให้เราหลุดพ้นได้แล้วก็ผมหลุดพ้นไป็นานแล้ว ส4กปีกับการศึกษาโดยการอ่านการฟังการคิด <Yeah. S 1> มันก็ยังมีจิตใจที่คิดฟุ้งซ่านอยู่ยังมีตัวเราเป็นผู้พิการเรายังเป็นทุกข์อยู่ทำไงจึงจะพ้นทุกข์ได้มันคิดคิดคิดมากเนี่ยผู้ที่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายป่วยนานๆชีวิตอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วมันจะ expire อ, อยู่แล้วช่วงสุดท้ายของชีวิตก็จะหมดอายุแล้วป่วยอยู่เป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้อาการความคิดปรุงแต่งคนที่สิ้นหวัง อย่างที่ญาติธรรอาจจะมีหลายท่านที่ดูแลผู้สูงอายุดูแลคนที่ป่วยมานานจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้จะสังเกตดูนะจิตใจของคนสิ้นหวังเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันดับแรกคือเป็นคนที่ขี้งุดหิดเห็นไหมุดหิตลาคาญใจเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ คำว่าเจ้าอารมนี่ไม่ใช่อยู่เหนืออารมณ์นะ <c oughs> เหนืออารมณ์นี่เจ้ า, ารมคือสามารถควคุมอารมณ์ได้แต่เจ้าอารมนี่คือถูกอารมณ์นี้ครอบงำเรียบร้อยแล้วชอบคิดโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายจิตใจไม่ปกติวันไหวเปราะบางในเรื่องของอารมณ์อยากเรียกเจ้าอารมณ์อย่างผมก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนนะ เป็นยงไงมาก่อนเลยทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยมันเกิดมาจากจิตใจผมตั้งนั้นะ่ะแล้วที่สำคัญก็คือแขกรายวันคือความเหงาเป็นแขกรายวันแขกหน้าเก่าเก่าเวียนมาหาเราอยู่เรื่อยมันเหงาชีวิตมันเหงามันไม่มีอะไรทำอะ่ะคืออยู่เปล่ามันว่างพอมือมันว่างใจมันก็วุ่นคุ้นคิดต่างๆสารพัดอยา่าง เมื่อไม่คิดมันก็เหงาพอคิดฟุ้งซ่านมันก็เพลินไปความคิดนั่นคือปัญหาปัญหาเกิดจากความคิดเป็นทุกข์เพราะความคิดและเจ้าความคิดเนี่ยมันก็คิดแก้ปัญหา <c oughs> เข้าไปในตัวมันอีกนะ <c oughs> ความคิดคือปัญหาแล้วก็ทหายาการแก้ปัญหาก็คือความคิด คิดซ้อนคิดดับเบิลคิด a ตอร์คิดชีวิตเลยเหี่ยวแห้งอยู่กับความคิดอย่างนั้นน่ะพอคิดนานวันนานวันเข้าเนี่ยมันก็เหน็ดเหนื่อยเตเ็มเห น, นื่อยจิตใจเราไม่ได้ไปไหนนะนอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้แต่มันเหนื่อยได้อย่างไรนะคนคิดมากมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยแบบหาสาเหตุไม่ได้นั่นแหละคือคิดมากมันเหนื่อยปลุ้งแต่งสารพัดเนี่ย ทุกใจเพราะความคิดที่มันแก้ไขปัญหากันเองเพราะความคิดเอาความคิดแก้ปัญหาความคิดมันก็เหลือความคิดจิตก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมแก้ปัญหาไม่ได้แต่ผมผ่านช่วงวิกฤตั้นมาได้ด้วยใช้ธรรมะที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเลยแต่มีอยู่แล้วในเนื้อในตัวเราคุณพ่อคุณแม่ให้มาคือความอด <ท>อดทนแล้วก็ต้องทนให้ได้เ น, นี่ยอันเนี้ยอันดับแรกที่เรามาใช้เลยคือความอดทนไอ้ความอดทนนี่มันดีนะถ้าเรามีความอดทนเนี่ยเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมสติมันยังไม่เกิดเอาขันติเกิดก่อนใช้ด้วยกันได้ติติเหมือนกันอดทน ถ้าเราไม่คิดว่าเป็นการอดทนมันคือความเคยชินของชีวิตเป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าคิดว่านี่คืออดทนเราต้องเหมือนแบกอะไรสักอย่างนึง <c oughs> ไม่คิดว่าเป็นการอดทนเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมันก็เลยอยู่กับความอดทนได้โดยที่ไม่คิดว่าเราทนนานนานบนานเข้าก็เกิดความเคยชินไปเองนควา็อดทนนั้น ยังไม่พอนะอาศัยทาไหมข้อหนึ่งคือการยอมรับความจริงอดทนแล้วก็เพื่อการตั้งหลักและยอมรับความจริงอยอมรับความจริงนะก็เราเป็นอย่างนี้การยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายทั้งจิตใจทํางจิใจเราตั้งหลักได้รู้จักยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเป็นจริงสะบ้างเนี่ย ก็เลยหลุดจากภาวะนั้นมาได้ยังอยู่ได้16ปีพอเข้าปีที่ส7เจดพอศสองพนอา่ะเราควรจะปฏิบัติธรรมจริงเนีอุ่นเครื่องมานานแล้วทุกก็ไม่ทำเนอ่านหนังสือมานานปฏิบททัติธรรมก็เลยหันเหตุเชื้เข้าสู่การปฏิบททัติธรรมเนี่ยโดยที่หลวงพ่อกำกันเนี่ยท่าน แนะนำการจารสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลงวงดเทียนนี่แหละ <c oughs> คือการมาทำความรู้สึกตัวแบบเคลื่อนไหวก็นอนปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยผมเริ่มต้นจากที่บ้านนะเนี่ยเริ่มต้นจากความเป็นคราวา์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้ไปดูดไปบวชที่ไหนหรอกเนี่ยเป็นฆราวาเป็นโยมธรรมดานี่แหละ น, นั้นทุกท่านที่บางคนบอกว่านี่เราคงเป็นโยม ไม่ได้บวชไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไปเข้ากับกลุ่มปฏิบัตที่ไหนไม่เป็นไรนะเนี่ยผมเริ่มต้นที่บ้านทุกท่านเนี่เริ่มที่บ้านได้เหมือนกันไม่จะเป็นต้องไปบวชหรือไปแล้วเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นจรรติบแบบเคลื่อนไหวคือการทําความรู้สึกตัวแต่การปฏิบัติมันก็ไม่ง่ายที่เราคิดหรอก ผมคิดว่ามันทําได้เพราะเรารู้แล้วเนี่ยเรามีตาําราอุปสรรคของคนที่สภาพร่างกายไม่ปกติเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันลําบากมากแต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้ทําได้แม้แต่ร่างกายพิการก็ปฏิบัติธรรมได้ความพิการไม่ใช่อุปสรรคกับการปฏิบัติธรรมหรือการทําความรู้สึกตัวเลย อุปสรรคใหญ่ของการปฏิบัติสภาพเราก็คือไอ้ความอยากเนี่ยความอยากบรรลุผลให้มันไม่ไวเนี่ยความอยากบรรลุผลอย่างแรงกล้าทำให้จิตมันดิ้นหลนฟุ้งซ่านมันก็คิดฟุ้งซ่านมากในความอยากเนี่ยอยากหลุดพ้นอยากค้นทุกข์เห็นไหมเพราะความอยากเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีนะมันไม่ดีดนะอยากหลุดพ้นเนี่ยไม่มีแต่การปรุงแต่งไม่ได้วยความสงสัย ก็คิดฟุ้งซ่านไปอ่างเนี่ยเริ่มต้นก็คิดฟุ้งซ่านด้วยความอยากแล้วขณะนอนทําความรู้สึกตัวแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกรู้สึกตัวลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวคือส่วนของมือเนี่ยพลิกไปก็รู้สึกพลิกมาก็รู้สึกทําความรู้สึกตัวแบบการเคลื่อนไหวของมือที่มันขยับไปขยับมารู้สึกอย่างนั้น มันก็อาชนะความคิดไม่ได้เมื่อมันไม่คิดมันก็ง่วงทีแรกบทเรานี่มันคือเหมาะกับการง่วงว่าต้องนอนปฏิบัติมาก่อนเพามีแค่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะมีแค่สองเดียวบวคืนนอนกับนั่งแล้วนั่งก็ได้ไม่นานหรอกก็ต้องนอนปฏิบัติมันก็ง่ายความง่วงไม่คิดมันก็ง่วงอ่ะไม่ง่วงมันก็คิดไม่รู้ชีวิตจะอยู่ตรงไหน หาตัวกลางไม่ได้ระหว่างม่วงกับคิดอยู่ตรงไหนหาไม่เจอก็สวิงซ้ายสวิงขวาเนี่ยมันต้องจําเป็นต้องใช้เทคนิคของตัวเราเองที่ว่าอิเลียบ ท, ที่มันไม่สม่ําเสมออย่างเงี้ยอาศัยการมันเพ่งนะเริ่มต้นรู้กายขึ้นมามันต้องเพ่งนิสัยจิตเรามันต้องเพ่งถ้าไม่เพ่งจิตมันไม่รวมเพ่งเพื่ออะไมันรวมให้มันมีสมาธิ ไม่เพ่งจิตมันก็เลื่อนลอยเพราะคนมันมีความคิดมากจเจริญในความคิดมามากพอมาจเจริญสติจเจริญความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะต้องอาศัยการเพง่งมันเป็นชีวิตจริงของเราเห็นไหมเราจะทํางานแล้วก็ตามเนี่ยมันต้องเพ่งก่อนถ้าทําถ้าไม่เพง่งนาการทํางานงานไม่สาเร็จต้องเพง่ต ง, พงต้องมีใจจดจอ่อนั้นการปฏิบัติมันก็ช่วยไม่ได้ว่าต้องเพ่งก่อนอนะ ถ้าไปเพ่งจิตมันไม่รวมพอเพ่งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้จิตมันเริ่มมันเริ่มลวนลงไปที่การเคลื่อนไหวแล้วเห็นไหมมันก็พล่าดจิตออกจากความคิดมาอยู่ความเพ่งชั่วขณะหนึ่งพอเพ่งนานๆเนี่ยมันก็เครียดใช่ไหมโอ้นี่มันเป็นกรรมของจิตเนาะมันชอบเพ่งมันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปสงสัยว่าเอ๊ พอเริ่มปฏิบัติกลัวจะเพ่งกลัวจะกําหนดเอาความกลัวเข้าไปในการปฏิบัติมันก็เลยไม่ต้องทําอะไรนะเพ่งก็เพ่งก็รู้ว่มันเพ่งก็แค่นั้นเองบางทีเราไม่รู้เลยว่าไม่เพ่งเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกมันต้องลองเพ่งดูก่อนลองจัดการของเราใช้นิสัยจิตเราทํำนี้ก่อน เมื่อเพง่งเสร็จแล้วมันก็เครียดอ๋อเนี่เป็นกรรมของจิตเนาะพราะความเพ่งมันเครียดมันก็จะค่อยๆคลายเองมันต้องคลายเองเหมือนเราใส่เสื้อคับๆเนี่ยโอเสื้อตัวนี้คับไม่ต้องใครถอดให้เรารู้เองอ๋อนี่เราใส่เสื้อคับแล้วก็ถอดเองเมื่อเพ่งเองก็คลายเองมันต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันพิชจะพบทางถูก อ้าถ้าไม่เพง่งจิตมันก็เลื่อนลอยไปสวิงไปในทางหลงไแล้วเห็นเออเอาจิตเผลอไปแล้วเอากลับมาเพง่งพอเพ่งมันก็ตึงพอเผลอมันก็หย่อนมันก็ลอยนะไอาการที่เพ่งบ้างหล ง, าง ล, งางลงบ้างเพ่งบ้างเผลอบ้างเนี่ยมันเห็นตัวกลางโดยธรรมชาติของเราเลยนะจิตมาเป็นกลางไปเองเพราะเราเรียนรู้ จากความผิดทั้งสองด้านสุดโตนทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งการทั้งทางหย่อนทางตึงทางตึงทางหย่อนเนี่ยจิตมันจะหาพบสายกลางเราเอง <c oughs> นี่คือประสบการณ์จะไปจัดจิตให้ลงทางสายกลางเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องลองดูก่อนว่าอันไหนมันตึงอันไหนมันหย่อนและจะเจอตัวกลางนะนักปฏิบัติมันต้องลองทำดูก่อนเห็นหะ มันเป็นธรรมชาติของจิตนิสัยของจิตเป็นกรรมของจิตไม่ใช่กรรมของเราเราที่มันทำอย่างนั้นสติปัญญาเป็นที่เรียนรู้เนี่ยนี่คือการปฏิบัติผมไม่ได้ทำง่ายๆหรอกก็ลาบากร่มลูกคุกคลานกับการเจริญสติทำความรูกตัวแบบเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยังไม่บรรลุธรรม หนึ่งเดือนแค่รู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวเป็นในหนึ่งเดือนอ้อมันรู้ได้ก็เพราะว่าจิตมันเป็นปกติมันเกิดเพราะว่าที่รู้สึกตัวขึ้นมามันมีปัจจุบันมันมีปัจจุบันแต่ไม่จมอยู่กับปัจจุบันนะพอรู้ตัวเลยมันมีปัจจุบันแต่ไม่จมอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันจมไม่ได้ปัจจุบันมันก็ไม่เที่ยงแลมันก็เปลี่ยนแปลงไป แต่ชีวิตมีปัจจุบันที่ตรงนี้แหละความเหงาไม่รู้หน้าตาเป็นอย่างไรอ <c oughs> ความเหงานี่มันหายไปเลยนะชีวิตไม่เหงาเมื่อมีปัจจุบันแบบรู้สึกตัวชีวิตไม่เหงามีแต่ความผ่อนคลายสบายเลยมันได้หลักได้ทางแนละ้วะมันมีความรู้สึกตัวเป็นเป็นคู่ชีวิตแล้ว <c oughs> มันมีปัจจุบันมีอะไรทําถ้าเรารู้สึกตัวลงไปที่กายเคลื่อนไหวมันตื่นออกมาจากกายเลยนะมันไม่เข้าไปจมไปแช่ไม่ไปตรงอยู่กับกายเคลื่อนไหวแนละ้วถ้ารู้ตัวเป็นเนี่ยมันจะตื่นออกมาคำว่าตื่นนี่คือไม่เข้าไปจมไม่ยึดคลองกาย มันวางกายสัพพลังเคได้ทันทีเลยนะจิตมันคิดจะวางอยู่แล้วแต่วางไม่เป็นพอรู้ตัวปั๊บมันวางกายเลยมันไม่ยึดติดกับกายเลยเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่สัตว์บุคคลตัวตละเขามันได้คําตอบอ๋อเมื่อรู้สึกตัวระวัติกายมันตื่นกายแล้วที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจมันตื่นตรงนี้เองตื่นคือไม่เข้าไปยึดติดออกมาออกมารู้ไม่จะเข้าไปรัด แต่ออกมารู้ออกมาดูเลยเนี่ยมันตื่นอมาเลยเนี่ยมันแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกน้ำตรงที่รู้สึกตัวแล้วมันตื่นออกมาเนี่ยกายคือส่วนกายที่มันเคลื่อนไหวจิตใจคือผู้ที่รู้สึกตัวทำนาทีต่างกันเป็นคนลอนกันเห็นแยกชีวิตออกเป็นสองตอนคือชีวิตที่รู้กับกายที่ถูกรู้ นะเียมันไปเห็นกายที่มันไม่ใช่เรานะเมื่อรู้สึกตัวลงไปเนี่ยมันจะไปเห็นจิตที่มันคิดด้วยนะพอเห็นกายแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อแล้วใครเป็นผู้ที่รู้กายล่ะอา้าวจิตผู้รู้จิตทำหน้าที่รู้เห็นจิตทำงานแบบรู้สึกอา้าวจิตมันทาหน้าที่รู้นี่ไอ้ที่รู้ไม่ใช่เรารูจิตมันรู้เนี่ยมันพลาก มันพลากตัวตนออกจากจิตที่รู้นะจิตที่รู้ไม่ใช่เรารู้เป็นจิตที่มันรู้จิตธรรมะที่รู้แล้วจิตก็ยังทำหน้าที่คิดเมื่อมันรู้แล้วมันก็คิดโอ้ไอ้ความคิดเนี่ยมันเกิดจากจิตที่มันมาปรุงแต่งเนาะมันรู้มันรู้สึกไปกวับจิตมันก็รู้เท่าทันจิตมันก็เห็นความคิดที่มันปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่เราเหมือนกัน เป็นกระบวนการของจิตล้วนๆที่มันผลิตความคิดขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เราคิดนะสติปัญญามันเดินมาอย่างนี้เลยนะเห็นความคิดมันเกิดขึ้นดับไปดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงทั้งจิตผู้รู้ทั้งจิตผู้คิดชีวิตมันเลยเปลี่ยนแปลงเลยนะเปลี่ยนแปลงเลยมันก็เบาสบายตรงที่รู้เท่าทันจิตที่มันคิด หยุดการปรุงแต่งของจิตชีวิตมันก็ผ่อนคลายมันเลยมีปัจจุบันเป็นเครื่องอยู่มันได้คำตอบการทำของรู้ตัวเนี่ยไม่มีคำถามมีแต่คำตอบออกมามีแต่คำฉเฉลยอ้อถึงบางอ้อนะเห็นทำมากคือเห็นบางอ้อดิ มันได้คำตอบของตัวเองได้คำตอบของชีวิตด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละมีปัจจุบันชีวิตเริ่มมีอะไรทาแล้วปัจจุบันเนะจิตใจมันมีงานทำเนาะมีอะไรทำมีปัจจุบันแต่ไม่ได้จมอยู่กับปัจจุบันนะชีวิตผมเลยเป็นคนไม่มีอนาคตไม่น่าคบคนไม่มีอนาคตมันมีแต่ปัจจุบัน ผมดึงอนาคตเวลาในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันหมดแล้วอนาคตไม่มีแล้วเอาเวลาในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันให้หมดเบิกมาใช้ใ ห, หมดรวมทั้งความสุขที่เรารอคอยในอนาคตด้วยเอามาใช้เสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสําหรับเราหมดเวลาในอนาคตความสุขในอนาคตไม่มี มารวมมาที่ปัจจุบันหมดละหนึ่งเดียวอยู่ที่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันซึ่งมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องสร้างมันก็มีอยู่แล้วเพราะของมีอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าความคิดปรุงแต่งตอนนั้นทําให้สิ่งนี้มันหายไปคือความรู้สึกตัว <Ĭ Loc ation> เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ร receive. เรามีจุดเปลี่ยนนะคนทุกคนมีจุดเปลี่ยน หลายคนมีจุดยืนของชีวิตแล้วก็เปลี่ยนจุดยืนไปหลายหลายอย่างผมก็เปลี่ยนจุดยืนนะผมไม่มีจุดยืนมีแต่จุดนั่งและจุดนอนชีวิตนี้ไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินจุดยืนจุดเดินไม่มีชีวิตมีจุดนั่งกับจุดนอนเนี่ยคือจุดนั่งยวสักพักจะไปอยู่จุดนอนละสองวัไม่ต้องเดินก็ไม่เป็นไร เดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินยืนไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินวิ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องวิ่งแล้วก็พอใจในความมีความเป็นเขาเราอย่างนี้แหละมองไม่เห็นความพิการมองไม่เห็นคนพิการเนี่ยกลัวมากเลยสวรรค์นหนึ่งกลัวจะเผลอลุกขึ้นยืนแล้วพูดทรรมกลัวมากเลยไม่เผลอ ไม่ลืมตัวนะลืมอะไรลืมได้ไม่ลืมตัวเหลอยืนขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันชีวิตมันเดิน ม, มาอย่างนี้เลยนะมันก็สนุกน่สนุกกับการใช้ชีวิตที่พิการหรือว่าการเขียนเนี่ยท่านสนุกป่วย ผมเนี่ยสิทธิ์มีครูก็สนุกพิการบ้างจะเป็นอะไรไปเรียนตามพ่อก่อตามครูสิทธิ์มีครูชีวิตมันไม่ต้องไปเดือดร้อนแบบนั้นหรอกก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการชีวิตทำประโยชน์ไปเรื่อยชีวิตอยู่ก็มีความหมายตายมันก็มีความหมาย ยิ่งรู้สึกตัวไปนานๆเนี่ยมันก็ยิ่งรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นไม่ขัดแย้งกับใครนะผมไม่ไม่ขัดแย้งกับใครใครพูดถูกเราก็ฟังได้ใครพูดผิดเราก็ฟังได้ใครว่าเราเราก็ไม่ว่าอะไรเขา ทุกครั้งที่มีตัวตนในการใช้ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีเพราะตัวตนนี่แหละคือตัวที่สร้างปัญหาเวลามีใครมีนินทาเราถ้ามีตัวเราเราเราก็ถูกดินทาเวลามีใครมาด่าเรากระเพาะมีเราเรายังถูกดา่า <c oughs> ความรู้สึกตัวเนี่ยมันสลายตัวเราไปเลย ไม่มีมิต่สภาวะเ น, นี่ยเนี่ยชีวิตถ้าผมไม่มีความรู้สึกตัวจนปัจจุบันนี้นี่ชีวิตผมเนี่ยคงจะไม่ยืนยาวถึงวันนี้หรอกอยู่มาตั้งสามสิบกว่าปีในสภาพร่างกายพิการด้วยอุปการะคุณของความรู้สึกตัวนี่แหล ะ, ะมันคือที่พึ่งทางจิต ไปที่พึ่งสุดท้ายเนดีนะเนี่ยเพราะว่ายัางคิดแล้วขนหัวลุกนะถ้าผมไม่อยู่ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยโอ้โหจะต้องมีการคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเป็นโลกจิตโลกประสาทคลุ้มคลั่ ง, งไปแล้วเพราะความคิดมันกินหัวนะเลยขนหัวลุกเลยพรามคิดมันกินหัว พอมีความรู้สึกตัวเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงไม่ต้องกลัวอะไระเนี่ยอันนี้คืออุปการะคุณของเจ้าความรู้สึกตัวนะยนยอดบุญเหนือทุกจริงๆเนี่ยคือตัวนี้แหละที่จริงแล้วในสภาพร่างกายที่พิการที่มองเห็นเนี่ย ผมมองไม่เห็นในความพิการในคนพิการเห็นแต่ความไม่สะดวกเห็นแต่ความไม่สะดวกความไม่สะดวกคือปกติของชีวิตเราแล้วก็ยอมรับมันไปโอ้ธรรมชาติของเรามันต้องไม่สะดวกเนาะธรรมชาติของเรามันต้องมีอะไรขัดใจอย่างนี้แหละธรรมชาติของเราไม่มีอะไรถูกใจหรอกก็ยอมรับมันไปไอการยอมรับมันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดา ถ้ารู้จักเปิดใจยอมรับยอมรับกับปัญหายอมรับกับความทุกข์ยอมรับกับสิ่งที่มันขัดใจเราเนี่ยยอมรับด้วยความเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันได้ใจมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเปิดใจยอมรับถ้าไม่เปิดใจยอมรับเนี่ยก็ทุกข์ตลอดไปก็เคยท้อแท้สมัก่อนเคยท้อแท้สิ้นหวัง อพอเริ่มปฏิบัติทำเนี่มันทอ้อไม่ได้ทอ้อแล้วจะเป็นทุกข์นะเรามีเดิมพันคือความไม่ทุกข์เอาไว้ต้องกินเดิมพันนี่ได้เดิมพันมันสูงอะความไม่ทุกข์เนี่ยเป็นเดิมปฏิบัติต่อไปเจริญสีต่อไปทําความรู้ตัวต่อไปเพื่อจะกินเดิมพันต้องความไม่ทุกข์นะกายไม่หายใจมันไม่ทุกข์กายป่วยไขย้ใจมไม่ทุกข์ เรื่องของความไม่ทุกขัทางใจทั้งนั้นอะเรื่องของกายเรื่องของสิ่งไม่นอาเป็นเรื่องของเขาถ้าเราทาใจยอมรับเนี่ยมันง่ายกว่าการบังคับให้มันเป็นนะ <c oughs> นะการทำใจยอมรับเนี่ยง่ายกว่าการบังคับให้มันเป็นซึ่งมันยากมากนะเนี่ยก็วันนี้ก็ให้ผมพูดเรื่องความรู้สึกตัว <c oughs> ก็พูดแล้วแหละเหลืองความรู้สึกตัวซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งของเราได้อาจจะไม่เข้มข้นเหมือนหลวงพ่อกำเขียนหรอผมไม่ได้มาพูดแทนแต่ว่ามาทาหน้าที่ช่วยเหลือท่านไม่เข้มข้นเหมือนหลวงพ่อหลํากำเขียนได้พูดได้เทศได้สอนแต่ก็เป็นธรรมะผมก็ังพูดธรรมะเนี่พราะฉะนั้นถ้าว่า ท่านผู้ฟังที่ผิดหวังก็ลองพลิกอิดนิดนึงว่าอ๋อธรรมะเนี่ใครพูดก็ได้ถ้าพูดเป็นธรรมะเราก็ถ้าตั้งใจฟังเนี่ยมันมีประโยชน์ประโยชน์จากการฟังใครก็ตามที่พูดธรรมะได้ฟังเถอมะมีประโยชน์ทั้งนั้นจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงจะหล่อหรือไม่หล่อถ้าตั้งใจฟังมีประโยชน์ทั้งนั้น อย่าไปคิดว่าธรรมะต้อออกจากพระเสมอไปหรอกนีสมัยเนี้ยคนเราเนี่ยติดในตัวบุคคลติดบุคคลมากกว่าติดพระธรรมเห็นประโยชน์ของบุคคลมากกว่าพระธรรมนะบุคคลมันไม่เที่ยงแต่ธรรมะเนี่ยเป็นของคู่โลกแต่คนเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงได้บางนี้ต้องล้องหายใจจากบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุอันไดก็ตามเมื่อบุคคลเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็เป็นทุกข์ก็เศร้าหมองเสีย ใ, ใจจิตตกไปตามๆกันเพราะไปยึดติดในบุคคลมากกว่าธรรมะ เปลี่ยนแปลงได้นะบุคคลอย่าไปยึดติดก็ให้เราพิจารณาดูว่าให้เราเลือกนะระหว่างอย่างตอนนี้สมมติว่ามีพระอริยเจ้ามาปรากฏตัวบนเวทีกับหนทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าให้เลือกว่าอันไหนสำคัญกับตัวเรามากที่สุด ระหว่างพระอริยเจ้าที่เราได้มองเห็นกับการเรียนรู้เรื่องขนทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าอันไหนมันสําคัญกับในตัวเรามากกว่ากัน <Yeah. S 1> เห็นแค่พระรเจ้าเราก็ชื่นใจแต่ไม่รู้จักขนทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าแต่ถ้าเราศึกษาวิธีการปฏิบัติขนทางคือธรรมะไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเนี่ย เราก็จะเป็นพระเจ้าซิเองได้นะถ้าศึกษาได้ถูกต้องและนำไปไปปฏิบัติเห็นแต่เราไปสนใจแต่เรื่องบุคคลไม่สนใจหนทางไม่สนใจธรรมะเราจรึงพ้นทุกข์ไม่ได้เช่นยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเนี่ยพระวกกะลินะระพระวกกะลิเนี่ ย, ยโอ้ตามดูพระพุทธเจ้ารูปสม ต่างๆสวยตามดูพระพุทธเจ้าทั้งวันเนี <G> ่ย <ül> ดูแต่สิ่งภายนอกพระพุทธเจ้าก็ลเรียกมาสอนวัคคฤษีรรเธอจะมาดูอะไรกับของนอกเปลื่อยของไม่เที่ยงสิ่งนอกเปื่อยของสถาคตเล่าวัคคฤีไม่เห็นเราหรอกแม้แต่จับชายจีอวรของเราก็รับรองไม่เห็นเราสถาคต ธรรมะอยู่ในตัวเธอมีอยู่แล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไปวัคคะลิไปดูธรรมะในตัวเธอเองไปทำความรู้สึกตัวซะ <c oughs> จะได้เข้าถึงตถาคตอ ย, าาอย่างนั้นเลยนะยไปทำความรู้สึกตัวนะก็ต้องปฏิบัติไปทำความรู้สึกตัวเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของเราตอนนี้คือนะไปฝึกทำความรู้สึกตัวซะไปเจริญสติ มันเป็นประโยชน์สําหรับเรารู้สึกตัวให้มากๆให้ตอนเนื่องสม่ําเสมอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติในชีวิตของเราเจอชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ถ้าฝึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆทุกวันตัน้งแต่เช้าตื่นนอนตอนเช้าหลับไปตอนกลางคืนตื่นมาก็รู้สึกตัวใหม่ในการทําหน้าที่กับชีวิตการทํางาน ทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอชีวิตเราจะดีขึ้นทุกวันคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันจะเถึงการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ไม่อย่างเราเราทานข้าวเราต้องการความอิ่มทานข้าวเพื่อจะอิ่มความอิ่มจะเกิดขึ้นดนนั้นมันต้องเริ่มจากคำแร ก, แรก ข้าวคำแรกเคี้ยวแล้วกลืนไปมันมีความอิ่มอยู่แล้วนะแต่ยังไม่พอก็ต้องคำที่สองคำที่สามบางคนยี่สิบคำอิ่มบางคนห้าคำอิ่มนะความอิ่มเกิด ข, ขึ้นได้ทันทีเลยเมื่อเรากินข้าวไปทีละคำทีละค ำ, ะคำการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่าใจร้อนสร้างเหตุคือความรู้สึกตัวไปก่อนนะ นะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดผลคือปัญญารู้แจ้งเกี่ยวเรื่องตัวเราแล้วก็พ้นทุกข์ในที่สุดรู้ไปเรื่อย ๆ, ๆขณะที่เรารู้สึกตัวไปเนี่ยมันก็เป็นกุศลตลอดเวลาเลยนะทุกข์ที่มีความรู้สึกตัวเป็นกุศลถ้าเราไม่ไปรู้สึกตัวเนี่ยไม่ไปฏิบัติธรรมรู้ตัวเนี่ยอกุศลจะเข้าครอบงำทันทีจิตว่างไม่ได้แล้วก็คิดเ ป, ป็นอกุศลทําความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเราเสมอๆอากุศลก็เข้าครอบงำไม่ได้ดังที่พระงตมทัตตั์ไว้ว่าเมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปะนะเนี่ยก็ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะที่ได้เสียสละเวลามาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันของช ม, ม ร, ะะรมกัลยาณธรรมแม้ว่าจะฝ่าฟันเป็นอันตรายมาจจถึงที่นี่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ก, mm hmm. ก็ตือว่าท่านคือ น, นักเสียสละท่านคือ น, นักเสียสละ ยอดนักเสละก็ยังนึกเสียดายคนกลัวตายไม่ได้มาคุณได้โชคดีแล้วถ้าคุณมาที่แล้วคุณตายเนี่ยสุกติเป็นที่หวังได้ท่านคือยอดนักสลัเพราะพระพุทธองค์ท่าตรัสไว้ว่าพึงสลั ทรัพเพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตผมสุดท้ายพึงสละทั้งหมดเลยทั้งชีวิตทั้งอวัยวะทั้งทรัพย์เมื่อคำหนึงถึงธรรมะนะก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยจงมีจิตที่รู้ตื่น เบิกบานด้วยความรู้สึกตัวจนเกิดเป็นปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนำชีวิตให้พ้นประศิจากความทุกข์และก็พบความสุขอันไพยบู์คือมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุค่ะค่ะขอให้พวกเราทุกท่านนะคะกราบท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มอีกครั้งหนึ่งโดยพร้อมเพียงกันค่ะ ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการแสดงธรรมบ ร, รัยายในหัวข้อความรู้สึกตัวนะคะเพื่อเป็นการให้สติกับพวกเราเชาวกัลยาณธรรมทุกท่านเลยค่ะและต้องขอความเมตตาจากท่านอาจารย์อีกสักเล็กน้อยนะคะในการนำเจริญสติแก่พวกเราเป็นเวลาประมาณ10นาทีค่ะแล้วการเจริญสตินี่สำหรับคนพิการก็ต้องลาบากหน่อยนะเพราะว่า อยากจะสอนเรื่องการทําความรู้สตัวแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลงพเทียนหน่อยนะอันนี้ถือว่าเป็นแบบฝึกที่เคยได้ฝึกมาก็ถือว่า ท, ท่านก็อย่าไปคิดอย่าไปเอาผิดเอาถูกอย่าไปเอาเหตุเผลอะไรอาจจะเป็นรูปแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาอาจจะสิ่งที่เราสิ่งที่เราทําเนี่ย บางทีเราไม่รู้ว่านคือประโยชน์สนหรับเราหรอกแต่เราไปคิดว่าเ อ, อ้นี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ไม่ไม่ใช่นี่ก็เลยไปคัดค้านไ้ก่อนรูปแบบก็คือรูปแบบเนี่ยมีไว้เพื่อจะฝึกแล้วก็ปล่อยวางกระทั่งรูปแบบจะสอนเรื่องการเจรสี่แบบเคลื่อนไวหวตามนารุพเทียนในการยกมือสิบสี่จังหวะนะจะทาได้ไหมไม่เป็นไรนะ ใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรถ้าใครอยากทำก็ลองทำดูนะมีใครใครฝึกกยนตีแบกเคลื่อนไหวในหลงวัตเทียนบ้างโอ้ขอสุภาพตีคนหนึ่งออามะขอช่วยคนหนึ่งมันต้องมีตัวอย่างสักคนหนึ่งมีไหมใครจะสมัครอ้ามาเชิญครับช่วยกันหน่อยมาช่วยลูก คือที่ต้องมีตัวช่วยเนี่ยเพราะว่าท่านจะมองไม่เห็นเวลาผมเคลื่อนไหวให้ดูท่านจะมองไม่เห็นอ่เขาก็อีออมีไหมขเขาก็อีตัวมีไหมฮะอีทั้ตั ว, ตวก็ถือว่าเรามาช่วยหลุงพ่อทาหน้าที่นะไม่ได้มาทาอะไรอ่านั่ง นสักตัวหนึ่งด้านนีูกันนะเราอกก็อีนะ่าจากหลักได้มองเห็นการเจอสีแบบเคลื่อนไหวที่เรียกว่าการทำความรู้สึกตัวเนี่ยมีกติกายอยู่ว่าไม่ต้องหลับตาไม่ต้องมีคำบริกรรมไม่ต้องใช้ความคิด ใช้เพียงแค่รู้สึกตัวเฉยๆในการเคลื่อนไหวของมือส4บจังหวะการทำนั้นไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดทำแบบผ่อนคลายสบายๆายทำเล่นๆแต่ก็ทำไปเรื่อยๆเราทํานูเอามือสองข้างวางไวท้ที่ขาทั้งสองข้างอย่าไปกลัวการเพ่งอย่าไปกวดการกำหนด เพ่งก็ดีกาหนดก็ดีมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติพูดแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่มีคำพูดมีแต่ความรู้สึกล้วนๆเข้าไปสัมผัสที่มือกำลังเคลื่อนไหวนะคอยพลิกมือขวาในท่าตะแคงรู้สึกตัวนะ ยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวเอามือซ้ายทัาไว้ที่มือขวา เลื่อนมือขวาไว้ที่หน้าอกให้รู้สึกตัวนะในมือที่มันเคลื่อนไหวเอามือขวาเอาไว้ด้านข้างลดมือขวาลงมาในตาตะแคงคว่มมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายเอาไว้ด้านข้าง ลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำ ม, มือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงให้รู้สึกตัวยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวให้รู้สึกเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคง ยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวเอามือซ้ายท่าไว้ที่มือขวาให้รู้สึกตัวนะเลื่อนมือขวาขึ้นมอที่หน้าอกเอามือขวาอมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ฐานในขาตะแคงคว่มมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หนอก เอามือซ้ายมาดัานขาให้รู้สึกนะลดมือซ้ายลงมาที่ขาใน ท, าทา่าตะแคงคว่มมือซ้ายลงอ่าลองทำไปเรื่อย